บุกทูเก้าสิสเดกควารคำสันธานหนึ่งคอนยุกซิโยอูนุรอจนฝนหยุดก่อนรอจนดิฉันเสร็จก่อน รอจนกว่าเขาจะกลับมาดิฉันรอจนกว่าผมจะแห้งดิฉันรอจนกว่าหนังจะจบ ดิฉันรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวมีอะเทนเดสจิสลาทราฟิกลูโมเวรดสคุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่ที่ m ัมบิฟอร์เวตูรัสกอรเฟรีก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือชูอันทาวลาสเมราอิเฟรียยใช่ ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม Yes Anteau alla someria ferie c o m m e n c i r o s ซ่อมหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่ม Riparula tegmenton Anteau alla vintro c o m m e n c i r o s, <S ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ Lavu via in mano n al tavigonte ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอกคุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ห hey ลังเลิกเรียนหรือค่ะหลังเลิกเรียน Yes หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุเขาทำงานไม่ได้อีกต่อไปห ล, ล, ล, ลังจากที่เขาตกงานเขาไปประเทศอเมริกาห ล, ลังจากที่เขาตกงานเขาไปประเทศอเมริกา หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกาเขาก็ร่ำรวย